เมื่อเช้าพูดค้างไว้ว่ามีชาวบ้านนะจากชัยภูมิสี่คนมาหาที่สาราน้ำเขาตั้งใจจะมาหาหลวงพ่อแต่ก็คงจะไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนก็เลยมาที่สาราน้ำเพื่อนพามาคนที่เป็นเพื่อน พาครอบครัวซึ่งเป็นเพื่อนของเขามาแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นพ่อบ้านเนี่ยเขาคิดค่าตัวตายเพราะว่าทำธุรกิจแล้วมันเกิดเป็นหนี้ขึ้นมา้วถูกโกงด้วยนะเป็นร้านประมาณจะ รวมแล้วก็สี่ล้านห้าได้ทั้งถูกโกงทั้งถูกขโมยคือโดนหลายละลอกนะก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงกลุ่มใจมากท่าทางคงจะน้อยเนื้อต่ำใจด้วยเพราะว่าเห็นเขาน้ำตาคลอร้องไห้นิดหน่อยนะเป็นผู้ชายคนที่เป็นภรรยาก็ นะก็ล้องไห้ด้วยนะมากับลูกชายลูกชายก็สามสิบสี่แล้วมั้งโตก็ให้อัตมาช่วยพูดแนะนำเขาหน่อยนะว่าจะทำอย่างไรดี <c oughs> ก็ลองถามเขาว่าเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยทั้งชีวิตนี้คิดว่าเขา มีค่าเกินสี่ห้าสี่จุดห้าล้านหรือเปล่านะชีวิตเขาเนี่ยคิดว่าเขามีค่าเกินกว่าสี่ล้านครึ่งไหมมีหวังว่าจะได้หามาตลอดชาตินี่คิดว่าจะได้ไหมสี่ห้าสี่ห้าล้านเนี่ยนะคือเขาขายพวกเกี่ยวกับเครื่องดื่มรวมทั้งรงทงเหล้าด้วยนะกาเป็นคนขยัน ก็ชื่อในว่าคนอย่างเขาก็คงจะหาได้ไม่ยากเลยทั้งชีวิตเนี่ยสี่ห้าล้านมากกว่านั้งสิบเท่าก็น่าจะหาได้เราให้เขาฟังเรื่องพระพยอมเคยมีคนถามหลวงพ่อพระพยอมว่าหลวงพ่อเนี่ยกู้เงินมาหลายสิบล้านเนี่ยมาสร้างวัดนะ มาขยายว่านี่กุ้มใจบ้างไหมท่านบอกจะกุ้มไปทำไมนะเราเป็นคนใช้เงินของเขาคนที่ควรกุ้มน่าจะเป็นเจ้าของเงินมากกว่าว่าเราจะหาเงินมาใช้หนี้เขาได้หรือเปล่าให้เราก็สบา ย, ยแล้วนะเราใช้เงินของเขาเราจะกุ้มไปทำไมจริงไหมนะคนกุ้มควรจะเป็นเจ้าของเงินนะแล้วก็ไลาเกาฟังถึงเรื่องของคนที่เคย ประสบภาว ะ, ระเรียกว่าล้มทั้งยืนไม่ได้ล้มบนฟูกด้วยนะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมีรายหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อที่เขาทำธุรกิจมาเรื่องเกี่ยวก่อสร้างตอนหลังก็เกิดปัญหาค่าเงินบาทตกต่ำเขาก็เลยเป็นหนี้ประมาณเจ็ดพันล้านธุรกิจพังยับเยินแต่แทนที่เขาจะท้อแท้สิ้นหวังเขาก็ ตั้งตัวตามกำลังที่เขามีคือขายแซนวิชชิ้นละ20บาทวันหนึ่งทำได้30ชิ้นก็6 0ร้อยบาทกำไรนี่อาจจะถึงอาจจะแค่1 0 0 200ร้อยเท่านั้นแหละถามเขาว่าเนี่ยวันหนึ่งเขาหาได้ไมั้ย้อยบาทเนี่ยเขามีปัญญาหาได้ถึง600บาทเขาบอกว่าเขาหาได้มากกว่า น, นั้นนะก็บอกนี่ไงคนนี้เขาขายแซนวิช สาสิบชิ้ น, นเล่ขายตามโรงพยาบาลมางทีก็หนีตํารวจเทศกิจจากคนที่เคยขับรถเบ้นต้องมาหนีตํารวจเทศกิจหรือว่าตํารวจที่ไม่ให้ขายของในโรงพยาบาลเนี่ยแต่ในสุดเขาก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้ธุรกิจเกี่ยวอาหารของเขาก็เข้ า, ขาตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วลเขาก็บอกว่าขอบคุณที่มีวิกฤตเศรษฐกิจปีเศส่วนมันทำให้เขาเข้มแข็งขึ้น เห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นว่ามันไม่ง่ายแต่ว่ามันถ้าเข้มแข็งแล้วก็สามารถจะเอาตุกชนะได้อีกไลายหนึ่งก็เป็นหนี้น้อยหน่อยนะสี่สิบล้านทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เจงเขาเขาเล่าว่าวันที่เขาถึงตกจุดตกต่มที่สุดในชีวิตเนี่ยเขามีเงินแค่หมื่นบาทเท่านั้นเอง มีแค่หมื่นบาทที่เหลือเนี่ยไม่ใช่เป็นของเขานะล้มละลายก็ถามเขาว่าเนี่ยตอนเนี้ยเขามีเงินถึงหมื่นบาทไหมเขาบอกเขามีมีเกินหมื่นบาทก็บอกโอ้เนี่ ย, เ, ยเขาดีกว่าสองลายที่พูดมาอีกนะนี่ก็น้อยกว่านะคือก็ไม่รู้ว่าช่วยเขาได้แค่ไหนนะเพราะว่าอย่างที่บอกอันนี้มันก็เป็นแค่ กำลังใจเล็กๆน้อยๆพอให้เขาเห็นอะไรที่เป็นเป็นทางออกบ้างนะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าเขามีเพื่อนมีเพื่อนที่จะแลกเปลี่ยนหรือเล่าสู่ปัญหาให้เขาฟังมีเพื่อนระบายความทุกข์ก็คงจะไม่คิดฆ่าตัวตายง่ายๆเขาบอกเขาว่าเนี่ยเขายัง มีชีวิตอีกต้องส0มสิบสี่สปีเนี่ยตัวเขาแค่ไม่ถึงสี่สิบยังมั้งยังมีโอกาสอีกเยอะที่จะฟื้นตัวขึ้นใหม่อันนี้ก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็เพื่อนก็ชวนว่าเขาน่าจะมาวัดนะมาอยู่วัดบ้าง <c oughs> ทำวัดสวดบนปฏิบัติธรรมอันนี้ก็แล้วแต่เขาเพราะว่า ก็ไม่ใช่ง่ายแต่ว่าก็มีหลายคนนะที่การลุ่มลลายก็ผลักดันให้เขาเข้าวัดจนกระทั่งหลุดจากความทุกข์ได้ถามว่านี่ยังยังมีอยู่ยไหมหลายคนก็บอกว่านี่ยังอยู่แต่ไม่ทุกข์ละหรือว่าทุกข์น้อยลงแล้วก็อย่างคนที่เป็นนี่สี่สิบล้านนี่เขาบอกว่า เขาชินแล้วกับการเป็นนี่คนเราจะไม่ชินกับการเป็นนี่ก็ทุกมากนะอยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้จะปลดหนี้ยังไงแต่จิตใจคนเราก็ปรับตัวได้เร็วนะถึงจุดหนึ่งก็ชินกับการเป็นนี่ก็กินได้นอนหลับนะอยู่ที่ว่าเราจะเราจะให้โอกาสแก่จิตใจของเราปรับตัวหรือเปล่านะ ไล่ก็ไฟกรณนีนึงนะเศรษฐีนีโดนโกงไปหกสิบล้านนะทุกมากเลยหกสิบล้านแต่ว่าสองสามวันหลังจากนั้นก็ยิ้มได้เพื่อนก็ถามว่าทำไมถึงยิ้มได้ได้เงินคืนหรือเปล่าก็ไม่ได้แต่เศรษฐีนีคนนี้ก็บอกว่าได้ได้มันได้คิดว่ายังมีบ้านหลังใหญ่นอนสบายยังมีอาหารอร่อยกิน เราจะทุกข์ไปทำไมนะบันทีก็าอา จ, จะยังขาอา จ, จะไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกด้วยซ้าว่าข้อา จ, จะมีเงินมากกว่านั้นอยู่ในธนาคารก็ได้คือที่ที่โดนโกงไปอาจจะน้อยกว่าที่มีอยู่นะหรือถึงไม่มีเงินมากขนาดนั้นเขาก็ยังมีความสุขได้คนเราถ้ากินอิ่มนอนอุน่นมันก็ไม่ต้องมีอะไรต้องกังวลมากเท่าไหรนะ่นักอย่าง ก, ก็ถามเขาเนี่ย <S <S เขาก็ยังมี ร่างกายที่เข้มแข็งนะเขา ม, <อ>มีโอกาสที่จะสัมผัสกับความสุขที่มีอยู่รอบตัวเขาได้ตลอดเวลาแต่ใจเขาต่างหากที่มันเป็นปัญหาเขาดีกว่าหลายคนมากหลายคนเนี่ยเป็นมะเร็งไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่ปีแต่นี่เขาคขไม่ได้เป็นมะเร็งถามว่าเขาเป็นมะเร็งหรืเขาไม่ได้เป็นมะเร็งก็มมงมมงหมายว่าเขาสามารถอยู่ได้อีกหลายปี ขะคนที่เป็นมะเร็งใกล้ตายเนี่ยก็ยังมีความสุขได้แล้วเหตุใดคนอย่างเขาซึ่งมีสุขภาพดียังอยู่ได้หลายปีทํำไมถึงที่จะทำร้ายตัวเองอันนี้ก็เป็นเป็นอุทาหรณ์เนี่ที่ที่ย้ําพวกเราในวันแรกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่ใครแต่คือจิตใจของเราเองจิตใจของเราเองนี่เนี่ยมันคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าสามารถจะ สั่งให้มือเนี่ยคว้าปืนมายิงตัวเองตายได้หรือสามารถที่จะสั่งให้ตัวเองนี่โดดลงแม่น้ำฆ่าตัวตายได้ไม่มีอะไรที่จะทำร้ายเราได้ทำร้ายจิตใจเรานอกจากตัวเราเอง คนอื่นเนี่ยเขาทำร้ายเราอย่างมากก็ทำลายทรัพย์สินของเราหรือว่าทำร้ายร่างกายของเราคนอื่นทำได้แค่นี้นะไม่มีใครสามารถทำรายจิตใจเราได้มีคนเดือนในโลกนี้ในจักรวาลนี้ที่ทำร้ายตัวเราเองได้ที่ทำร้ายจิตใจเราเองได้คือตัวเรานะปัญหนาของผู้ชายคนนี้แล้วก็อีกหลายคนก็คือว่า จิตใจของเขาเนี่ยกำลังทำร้ายตัวเองเสียเงินไ ป, ไปนะอันนั้นคนอื่นทำท ำ, ทำให้<ป>มีลูกจ้างขโมยเงินไป อ, อันนี้ลูกจ้างหลังแกเขาแต่ลูกจ้างนั้นเนี่ยไม่สามารถจะทํร้ายจิตใจเขาได้มีแต่ตัวเขาเองนั่นแหละนะ แล้วพอทำร้ายจิตใจจนทุกนอนไม่หลับก็อยากจะทำร้ายตัวเองทำร้ายร่างกายตัวเองและขราวนีนะ้คนเรานะนะผู้เ จ, จ้าตรัสว่าอย่าเอาทุกข์มาซ้ำเติมหรือทับถมตนเองนะนะวิธีปฏิบัติต่อความทุกข์นะนะที่ไม่ใช่เรื่องของอริยสัจสี 4, นะ่นะข้อแรกเลยคือว่าอย่า เอาทุกมาทับถมตนหรือว่าจะเอาความทุกมาซ้ำเติมตัวเองเสียเงินก็พอแรงแล้วนะอย่าให้ใจเสียด้วยถูกโกงเงินไปอันนั้นก็หนักหนาพอแรงแล้วนะแต่ว่าเราอย่าทำร้ายตัวเองป่วยกายนี่ก็ เต็มที่แล้วนะอย่าให้ใจป่วยด้วยป่วยกายนี่อาจจะเป็นเพราะมะเร็งเงินน้อยอาจจะเป็นเพราะถูกโกงนะอันนั้นก็เป็นบางทีเราก็หนีไม่พ้นนะเราต้องเจอแต่ว่าเราอย่ า, ยาซ้ําเติมตัวเองด้วยการทําให้ใจเป็นทุกข์ด้วยการจมอยู่ในความ เศร้าโศกท้อแท้สิ้นหวังหรือว่ากลุ่มอกกลุ่มใจ<ะ>เสียก็ให้มันเสียแค่อย่างเดียวอย่าให้เสียสองอย่างถ้าเสียสองอย่างนี่แสดงว่าเรากำลังทับถมตัวเองคนอื่นทำร้ายเราไม่พอเราก็<ะ>กลับทำร้ายตัวเองด้วยดวยการจมอยู่ในความทุกข์นะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง ยังไปยึดยังไปหวนคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆหรือยังไปหวนคิดถึงสิ่งที่เคยเป็นของเราแต่บัด น, นี้มันไม่ใช่ของเราแล้วก็ยังยึดเอาไว้ยึดทางใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอาทุกมาทับถมตนนะถ้าเสียอะไรก็ให้แค่เสียอย่างเดียวนะเจ็บป่วยกายก็ป่วยแต่กายนะ อย่าให้ใจป่วยด้วยแต่คนเราไม่ค่อยสังเกตนะว่าเวลาเราเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ใช่แค่กายเท่านั้นนะที่ป่วยหรือปวดแต่ว่าใจเนี่ยมันก็ปวดหรือป่วยตามด้วยกายนี้อาจจะป่วยเพราะโรคหรือเพราะว่า สิ่งแปลกปลอมแต่ว่าใจที่ป่วยเนี่ยมันทําให้ความทุกข์เพิ่มขึ้นมีคนเขาบอกว่าเวลาเวลาฉีดยานเนี่ยคนที่กลัวเข็มเนี่ยพอเข็มมันปักที่แขนเนี่ยหรือตามตัวเนี่ยจะรู้สึกเจ็บกว่าคนที่ไม่กลัวเนี่ยสามเท่านะก็ไม่รู้ว่าเขาวัดยังไงนะ แต่ว่าเราพอจะพูดได้ว่าพอพอทุกใจแล้วเนี่ยมันจะคูณสามทันทีเลยเรียงน้อยก็คูณสองคนเรานี่มักจะปล่อยให้มักจะทาร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวแล้วเรามักจะโทษคนอื่นว่าเขากันแกล้งเราเขาเอาเปรียบเราเขาด่าเรา ใครก็จะด่าเรามันไม่มีทางทางให้เราทุกข์ได้ถ้าเราไม่เก็บเอาถ้อยคำเหล่านั้นเนี่ยมาทิมแทงตัวเองไม่ได้แทงแค่ครั้งเดียวแทงหลายครั้งผ่านไปแล้วเป็นวันผ่านไปแล้วเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ยังเหมือนเป็นของใหม่ความรู้สึกยังสดสดเหมือนกับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเพราะว่าใจไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนะเวลาถูกกินแรงถูกเอาเปรียบก็เหมือนกันนะ เราไม่เพียงแต่ปล่อยให้คุณเราไม่เพียงแต่ทุกเพราะว่าถูกกินแรงเท่านั้นแต่ว่าใจเราเองก็ซ้ําเติมตัวเองด้วยก็มีตัวอย่า ง, งที่น่าสนใจนะอันนี้ก็หลพ่อพยอมท่านก็ล่ามาให้ฟังอีกทีหนึ่งมาเด็กเนี่ยสคนไปออกรายการของทีวีไทยเมื่อสักปีที่แล้วรายการพลเมืองเด็ก รายการนี้ก็มีทุกอาทิตย์นะพวกเราจะเคยดูก็เด็ก3ามคนเปลี่ยนไปเรืยเรยนทุกอาทิตย์มาทํากิจกรรมที่มีเกี่ยวกรรับําเพ็ญประโยชน์เช็ดของม้าบ้างทําความสะอาดโรงเรียนบ้างแต่เที่ยวนี้เนี่ยให้ขนของคือนรถไฟรถไฟมันก็มีเวลาออกที่แน่นอนเด็กก็เดี๋ยกก็ทําหน้าที่ขนนะ ันก็ต้องเล่นกันขนนะเพลินวันนั้นเนี่ยสมจิตจงจอหอนี่ขึ้นชกมีการถ่ายทอดโทรทัศน์เด็กผู้ชายสองคนก็ทิ้งงานไปดูสมจิตชกก็ปล่อยให้เพื่อนผู้หญิงเนี่ยเก้าขวบสิบขวบนี่แหละขนของแกก็ตั้งใจขนนะแกไม่มีไม่มีไม่มีไม่ ม, ม, ม, ม, มีหยุดพักอะไรเลย พิธีกรก็เลยไปถามว่าเนี่ยคิดยังไงที่เพื่อนเขาทิ้งให้เราทํางานคนเดียว mm hmm. เธอก็บอกว่าก็เห็นใจเขาเพราะว่าเขาเป็นแฟนสมจิตนานๆก็จะได้ดูสมจิตชกนะ <c oughs> หนูก็ไม่ได้สนใจชกมวยก็เลยนะทํางานพิธีกรก็ถามต่อว่าแล้วหนูไม่คิด <c oughs> ไม่โกรธหรือไม่คิดด่าว่าเขาเหรอ ที่เขาทิ้งให้หนูทำงานคนเดียวเธอก็ตอบงี้นะว่าหนูขน ข, ของขือนรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวแต่ถ้าหนูไปโกรธหรือไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างนะหนูก็เลยเหนื่อยอย่างเดียวนี้วงเล็บนะแต่พวกเราเนี่ยพวกเราถ้าเป็นเราเราจะเหนื่อยกี่อย่างใช่เราจะเลือกเหนื่อยอย่างเดียวหรือเปล่านะส่วนใหญ่ก็เหนื่อยสองอย่างใช่ม คือเหนื่อยกายกันเหนื่อยใจเหนื่อยกายก็ขนทำงานแต่เหนื่อยใจคือบ่นด่าว่าเพื่อนเวลาเราทำงานเนี่ยคือเพื่อนเขาเอาเปรียบแล้วก็แค่เอาเปรียบงานเขาจะทำให้เราเดือดร้อนก็แค่เหนื่อยกายแต่เหนื่อยใจนี่เราทำเองใจที่มันบ่นใจที่มันโวยวายนี่เรียกว่าเป็นการเอาทุกข์มาทับถมตนนะ คือไม่ได้แค่เหนื่อยอย่างเดียวเหนื่อยสองอย่างนะคนที่ฉลาดนี่เขาก็เหนื่อยอย่างเดียวก็คือว่าเออเพื่อนเอาเปรียบกินแรงเราก็ทำงานหนะักแต่ว่าไม่มีการซ้ำเติมตัวเองด้วยการปล่อยให้ความโกรธมันเผาลนจิตใจนะเป็นการปรัทุสลายตัวเองนะนนเพราะพวกเรานี่ต้องต้อง อย่างแรกเลยก็คือว่าชีวิตจะมีความสุขได้อย่างแรกก็คือว่าอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนและข้อที่2ก็คือว่าอย่าปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบธรรมพระพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธนะเรื่องความสุขที่ได้มาโดยชอบธรรมไม่ใช่ว่าอะไรที่เป็นความสุขแล้วปฏิเสธนะแต่ว่าคนจำนวนมากก็ปฏิเสธนะ เวลากินข้าวข้าวก็อร่อยนะนะเวลาฟังเพลงเพลงก็เพราะนะแต่ว่าปล่อยให้ใจกลุ่มก็เล ย, เลยกินข้าวก็ไม่อร่อยฟังเพลงก็ไม่เพราะนะอันนี้เรากาลังปฏิเสธความสุขที่แดมาโดยชอบทำนะขนาดเป็นความสุขง่ายๆนะใจที่มันกลุ่มใจที่มันกําลังกังวลเนี่ยนะก็คือใจที่ปิดรับความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือเวลาเราได้เราได้อะไรมาเนี่ยบางทีเราได้โชคได้ลาบมาเราก็น่าจะพอใจแต่ว่าบ่อยครั้งเรากลับไม่พอใจที่นี่ในหมู่บ้านเนี่ยเวลาเอาเวลาเอาผ้าผมมาแจกชาว บ, บ้านหน้าหนาวเนี่ยบ้านระผืนบ้านระืนเนี่ยใครๆก็ดีใจนะ แต่พอรู้ว่าบ้านอีกบ้านหนึ่งหรือว่าอีกหลายบ้านเขาได้สองผืนนะี่ยทที่ดีใจก็เป็นเสียใจนะผ้าผมที่ได้มาผืนนั้นก็จะไม่รู้สึกชื่นชมมันหรืออันนี้ผู้อาจจะไกลตัวไปหน่อยนะเวลาเราไปซื้อของไปเที่ยวแล้วเราไปซื้อของคนไทยเราก็ชอบต่อนะก็ต่อ มีคนหนึ่งเขาไปเขาไปซื้อเสื้อมาเขาก็ต่อเขาไปเมืองนอกนะเไปก็ต่ อ, เ, อเสื้อมันราคาสองพันเขาก็ต่อได้พันห้าแล้วก็ดีใจนะแต่พอร่วมเพื่อนร่วมทริปเนี่ยต่อได้พันสองเขานี่เครียดเลยนะแล้วเสื้อตัวนั้นเขาไม่ใส่เลยนะเขาแขวนไว้ข้างฝา เป็นเครื่องเตือนใจให้ให้ใ ห, ให้ให้โกรธให้รู้สึกเป็นลบรู้สึกแย่คุณซื้อเสื้อมาแลคุณไม่ใส่นี่ก็แสดงว่าเป็นปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทำเหมือนกันนะครับพวกเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเนะเราตอกหรือเราซื้อของถูกมาแทนที่เราจะชื่นชมสิ่งของนั้นแทนที่จะใช้มันให้ได้เกิดประโยชน์เรากลับรู้สึกว่าไม่อยากใช้มันเลย นะเพราะว่ามันแพงมันแพงกว่าที่คนอื่นที่จริงไม่ใช่แพงกว่าหรอกเพียงแต่ว่าถูกน้อยกว่าคนอื่นเท่านั้นเองอันนี้เราปฏิเสธความสุขโดยชอบทาโดยที่ไม่รู้ตัวเคยเล่าให้หลายคนฟังนะมีมีพ่อมีแม่ค้ า, ามีนักเล่นหุ้นคนหนึ่ง เขาไปไปเจอป้าคนหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์แกก็เป็นนักเล่นหุ้นนะตัวยงเหมือนกันคุณป้าคนนี้ก็บอกว่าแกขายหุ้นไปเมื่อสองวันก่อนได้กำไรสิบล้านบาทกำไรนะยอดเงินจริงๆไม่รู้ได้กำไรสิบล้านบาทคนที่เล่าเขาก็ เลยขอเลยพูดแสดงความยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยครั บ, ค, ค, รบคุณป้าคุณป้าบอกแสดงความยินดีอะไรกันล่ะถ้าฉันขายหุ้นวันนี้ฉันได้กำไรร้อยี่สิบล้านแกไม่ยินดีนะแล้วันรุ่ขึ้นแกก็ไม่มาที่ตลาดหลักทรัพย์คนที่เล่าเขาก็เลยไปถามบโบรกเกอร์ว่าคุณป้าหายไปไหนก็ได้คำตอบว่าแกเข้าโรงพยายบาล แค่เครียดนะเครียดที่ได้กําไรแค่สิบล้านนะคือแทนที่จะมีความพอใจในเงินสิบล้านนะสิบล้านนี้มันมันยิ่งกว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งะแต่กับทุกนะอันนี้เราว่าไม่พอใจสิ่งที่มีไม่ยินดีสิ่งที่ได้ก็เป็นอาการหนึ่งใครที่ไม่พอใจในสิ่งที่มีเนี่ยก็เท่ากับว่ากําลังปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทำ แลนะาเป็นอย่างนี้กันมากนะแล้วนะคนเราเนี่ยถึงถึงไม่มีความสุขทั้งๆที่เรามีโอกาสที่จะได้รับความสุขตลอดเวลาที่จริงเราตระหนักหรือเปล่า ก, การที่เรามีมีร่างกายปกติมีตามีหูมีจมูกอันนี้เนี่ยมันก็คือ ความสุขอย่างหนึ่งที่เราควรจะชื่นชมแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขหรือมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเลยจะมารู้สึกอีกทีก็ตอนเจ็บตอนป่วยถึงค่อยรู้ว่าโอ้ตอนที่เราสุ ข, ส, ข, ส, ขสบายนี้นี่มันเป็นความสุขเราเราไม่ไม่เปิดใจรับรู้ความสุขจากการที่มีสุขภาพดีแต่มีคนหนึ่งเขาพูดไว้ดีมากเลยนะ เ็เป็นโรคธาลัสซีเมียตั้งแต่ตั้งแต่เกิดธาลัสซีเมียนี่เป็นโรคเลือดแพวกเราคงทราบดีร่างกายเขาก็ แ, าแครแกรนอ่อนแอหมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่เกินยี่สิบนี่แกก็สามสิบละกระดูกหักเป็นประจำเข้าเฝือมาสิบกว่าครั้งละตัวแครแกรนมากแต่ก็พูดไว้ดีนะว่าถึงแม้ เลือดฉันจะแย่นะแต่ฉันยังมีตาไว้เห็นสิ่งสวยงามนะฉันยังมีจมูกดมกลิ่นไพร่ลอฉันยังมีหูฟังเสียงเพลงที่ไพร่ลดมกลิ่นที่หอมฟังเสียงเพลงที่ไพร่ลอฉันยังมีปากกินของอร่อยได้ฉันยังมีร่างกายที่สามารถเดินเทินไปไหนมาไหนได้เนี่ยเพียงแค่เพียงแค่นี้เขอก็รู้แล้วว่าความสุขเป็นของที่หามาได้ง่าย เขาบอกว่าเนี่ยเพียงแค่นี้แหละนะความสุขก็หาได้หาได้ง่ายนะ้เราปฏิเสธนะความสุขที่ได้มาโดยชอบทำในแง่นี้ด้วยนะก็คือว่าทั้งทั้งที่เรามีความสุขสบายดีแต่เราไม่เคยรู้สึกว่านี่คือความสุขพาะใจเราไปกังวลกับอย่างอื่นอยากได้น่นอยากได้นี่นะอยากร่ารวยอยากมีตำแหน่งฐานะดีอะไรต่างๆอย่างผู้ชายคนที่เา ค, คิดฆ่าตัวตายเนี่ย เขาไม่รู้สึกเลย ว, ว่าเวลากินข้าวแล้วอร่อยเขาไม่รู้สึกเลย ว, ว่าฟังเพลงที่พอแล้วเนี่ยเออมันให้ความสบายใจมามาที่นี่เขาอาจจะไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามเลยนี่คือความสุขที่ที่ได้มาง่ายๆแล้วชอบทำด้วยแต่ว่าก็ปฏิเสธซะเพราะใจมันปิดซะแล้วนะที่จริง ผู้เจ้าตันนี่ยังหมายถึงคนที่เขามีเงินมีทองเยอะแต่ว่าอยู่อย่างกระเบียดกระเสียตนตนิทีเหนียวอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งที่เราคงพอจะรู้นะแต่ว่าผู้เจ้าตัดต่อไปว่าจริงอยู่ไม่ควรปฏิเสธความสุขที่ได้มาโดยชอบทำแต่ว่าอย่าติดมันนะอย่าติดมันมีเงินก็ใช้ใช้เลี้ยงตัวให้มีความสุขมีเงินก็ใช้เลี้ยงครอบครัวให้มีความสุข หรือว่าทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมแต่ว่าอย่าติดมันเช่นหมายความว่าถ้าเงินหายถูกโกงก็ไม่ทุกข์นะมีหลายคนที่เป็นคนดีนะเอาเงินที่มีเนี่ยทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมใช้เงินให้เป็นประโยชน์นะเลี้ยงตัวให้มีความสุขเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขแล้วเลี้ยงบริษัทบริวารให้มีความสุข ใช้เงินถูกใช้เงินเป็นแต่ว่าติดนะพอพอเศรษฐกิจล้มลเศรษฐกิจเกิดวิกฤตขึ้นมาธุรกิจล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าเงินถูกโกงไปทำใจไม่ได้เครียดเป็นโรคเซลลต์ในสมองแตกก็มีนี่เพราะเขายังติดนะติดในความสุขหรืออาจจะค่าตัวตายเพราะว่าอะไร ถึงความสุขที่เคยมีแต่ไม่มีเสร็จแล้วมันกลายเป็นอดีตไ ป, ปแล้วเคยเคยมีบ้านหลังใหญ่เคยมีรถหรูก็ติดในความสุขนั้นพอรถ <ลด S 2> ถูกยึดบ้านถูกยึ ด, ยดทำใจไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายหรือว่าป่วยจนตายอันนี้เราว่านอกจากจะเป็นการทับถมตนเอาทุกมาทับถมตนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นอาการที่เกิดจากความยึดติด เลือนะดติดในความสุขทั้งอดีตและปัจจุบันนะผู้เจ้าบอกว่าเออเราไม่ไม่พึงปฏิเสธความสุขที่ได้มาเดยชอบทำแต่ว่าก็อย่าติดมันนะเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากหน่ข้อที่สามนี่ยากหน่อยที่จริงมันยากแต่ข้อแรกแล้วละ่ะเพราะส่วนใหญ่ข้อแรกก็ไม่ผ่านแล้วก็คือว่าเอาทุกมาทับถมตน ป่วยกายเดี๋ยวไม่พอป่วยใจด้วยนะนี่ข้อแต่ข้อที่สานี่ก็จะยากมากขึ้นนะคือว่าไม่ไม่ยึดติดในความสุขแม้จะเป็นความสุขที่ได้มาโดยชอบทำแม้เงินจะได้มาด้วยน้าพัดต้ำแรงก็อย่าติดมันพอเราติดมันเมื่อไหร่นะมันจะไม่ใช่เป็นของเราแต่เราต่างหาที่จะเป็นของมันทันะ ท, ทีที่เรายึดว่ามั น, มนเป็นของเรานะั้นเรากลายเป็นของมันทันที เงินหายก็ทุกคนเอาไปก็ทุกหรือว่าหุ้นส่วนนะหุนส่วนหุนส่วนฮุบเงินเราไปหรือว่าเอาส่วนแบ่งเกินไปจากที่ควรจะได้นะก็ทุกนะอันนี้เพราะว่าความ ความยึดติดนะจนกระทั่งมันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของเราเรากลายเป็นของมันบางคนถูกโจรปล้นถูกจี้เอาเงินมาโจรมาเอาเงินมาไม่ยอมให้นะยอมตายดีกว่าที่จะให้โจรเอาเงินไปหรือว่ายอมตายดีกว่าที่ให้โจรเอาเพชรเอาทองไปนี่แสดงว่าเราเป็นของมันไม่ใช่มันเป็นของเรา บางคนไฟไหม้บ้านรีบฝ่าเข้าไปในกองเพลิงเพื่อที่จะไปเอาเงินทองเอาทรัพย์สินเพื่อไม่ให้หวายว่อนในกองเพลิงยอมตายเพื่อมันนะอันนี้ก็แสดงว่าเราเป็นของมันนะไม่ใช่มันเป็นของเราแต่มนุอนเกเรานี่หลงนะหลงคิดว่ามันเป็นของเราทั้งที่เราเป็นของมันแท้ คนตายได้เพราะพ้องเนินนี่นะมีลายหนึ่งเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นเศรษฐีนะแกก็แปลกนะวันหนึ่งภรรยาไม่สบายภรรยาไม่สบายก็ก็เนื้อไม่สบายก็คงว่าเป็นปวดหัวตัวร้อนธรรมดาก็เข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ดูอาการแล้วสงสัยว่าจะเป็นไส้ติ่งหรือเปล่าอาการหนักหรือเปล่าก็เลยเช็คเช็คใหญ่เลยนะเป็นโรงพยาบาลก็ชน นะก็ตรวจโน่นตรวจนี้เพราก็ว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะค่าค่าตรวจนี่ก็เมียก็โทรไป บ, บอกผัวว่าเนี่ยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลตรวจเช็คอยู่แล้วก็เล่าว่ า, าถูกต้องใช้ค่าตรวจเท่าไหรนะ่ผัวรู้นี่รีบสั่งให้เมียหนีทันทีเลยนะไม่ต้องจ่ายเลยสิรีบกลับมาเพราะว่าผัวเนี่ยเสียดายเงิน แกเป็นแขงนะเป็นแขกคงเป็นแขกขายผ้าเสียดายเงินหนีนะไม่ยอมจ่ายนะขนาดนี้นะแล้วต่อมาไม่กี่เดือนต่อมาแกก็ป่วยนะแกก็ป่วยก็เข้าโรงพยาบาล น, นี่แหละก็เพิ่งว่ามันคงมีอาการติดเชื้อ น, นิดหน่อ ย, <ด>ยก็เลยต้องอยู่หลายวันนะจนกระทั่งพอถึงวันที่จะออกลกโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่เก็บเงินเขาก็มีบริการพิเศษให้กับลูกค้านะลูกคือมาเก็บเอาบินมาให้ถึงที่เตียงเลยนะไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์เข้ามาบริการให้เศรษฐีคนนี้นี่พอพอดูบินนี่แกช็อกเลยนะแล้วก็ตายเลยตายคาเตียงในมือยังกำบินอยู่เลยนะเสียดายเงินนะนี่แสงว่า เขาเนี่ยเป็นของเงินแล้วให้เงินเป็นของเขานะเสียดายเงินแสดงว่าเงินมันทําให้เขาตายได้หวงแหงเงินจนทําให้ตุ่งยอมตายได้เสียดายมากไม่อยากจะไม่อยากจะคลายออกมาคนที่เสียดายเงินจนกระทั่งไม่อยากจะคลายออกมานี่แสดงว่าเขาเป็นของเงินแล้วให้เงินเป็นของเขางั้นเราต้องระวังที่จริงข้อ3ามข้อที่เราทําได้เนี่ยเพียงแค่ต้นข้อแรกเนี่ยชีวิตก็จะโปร่งเบาไปเยอะ ถ้าทําได้ทั้งสามข้อก็จะยิ่งดีที่นีมีข้อที่สี่นะคือว่าผู้เจ้าตรัสว่าต้องหาทางดับทุกข์ด้วยนะนอกจากไม่เอาทุกข์มาทับถมตนแล้วข้อที่สี่ต้องหาทางดับทุกข์นะคือทุกของเดิมที่มีอยู่ก็ต้องหาทางดับมันด้วยหนึ่งอย่าไปสร้างทุกข์ใหม่มาเพิ่มขึ้นนะสองหาความสุขโดยชอบธรรมสไม่ติดความสุขนั้นสี่ให้ทุกข์เดิมก็ต้องหาทางแก้นะถ้าทําได้สอย่างนี้ก็เรียกชื่อนี่ปโปร่งล่งเบาสบาย แต่ว่าทำข้อแรกได้ก็ก็ดีแล้วนะถ้าทำได้ข้อแรกนี้ก็เบาไปได้เยอะแล้ะเอาคำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้นะครับพร้อมกัน